สิขาบทที่เจ็ดว่าได้การเที่ยวจาริกไปในที่หน้าหวาดระแวงภายในรัฐเรื่องภิกษุณีหลายรูป961สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิธิกาเศรษฐีเตครุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายเที่ยวจาริกไปไม่มีกองเวียนเป็นเพื่อนในที่ที่รู้กันว่าหน้าวัดระแวง